สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู208ตอนสิทธทิอำนาจของพระเยซูตอนที่8ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายบทสรุปของพระกัมภีในช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าการอัศ จ, จรรย์4เรื่องด้วยกันที่ได้กล่าวไปแล้วการอัศ จ, จรรย์เรื่องแรกอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่5การอัศ จ, จรรย์เรื่องที่2อยู่ในลูกาบทที่8 การอัศจรรย์เรื่องที่สามอยู่ในมัทธิวบทที่เก้าครับและการอั ศ, อศจรรย์ครั้งที่สี่เรื่องที่สี่อยู่ในมัทธิวบทที่เก้าเช่นเดียวกันพี่น้งคับแต่ละคนนะครับที่ได้รับการรักษาให้หายหรือแต่ละกลุ่มที่รักษาให้หายนั้นพี่น้องครับเราจะต้องตอบให้ได้ว่าเหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงได้รับการรักษาให้หายคําตอบก็คือคนเหล่านั้นเขามีความเชื่อครับ คำถามต่อไปก็คือบุคคลเหล่านั้นได้รับการรักษาอย่างไรพอจะน่ากล่าวชัดเจนนะครับว่าเขาได้รับการรักษาจากเยูเจ้าพเปียซูผู้ทรงเป็นองค์ุณเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดได้ทรงรักษาเขาและการรักษาของพระเยซูนั้นก็หายขาดครับคําถามต่อไปก็คือว่าการอัศจรรย์เหล่านี้นะครับสอนอะไรเกี่ยวกับสิทธิอำนาจฤทธานุภาพของเปียซูคําตอบก็คือ วิถีอนุภาพของเยซูนะครับเทียบเท่ากับพระเจ้าและพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าสามารถทําอะไรก็ได้เพราะพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุดครับไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บใดที่พระองค์รักษาไม่หายหากเป็นพระประสงค์ของพระองค์เมื่อพระองค์รักษาทุกอย่างต้องหายในขณะเดียกันครับคนที่แสวงหาการรักษาอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับก็คือคุณพ่อ ที่ลูกสาวได้ตายไปแล้วผู้หญิงที่เป็นโรคโลหิตตกทนทุกทรมานมาสิบสองปีชายสองคนที่ไม่สามารถมองเห็นเพื่อนๆนของคนที่เป็นไปเพราะถูกผีสิงแต่ละคนเหล่านี้ครับเขามีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะพวกเขาอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งอื่นเลยลูกสาวของยายรัสตายไปแล้วนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึง บรรดา ห, หมอพยายามให้ความช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ช่วยไม่ได้คนตาบอดเขาก็มีความทุกข์ครับเพราะว่าเขาไม่มีหนทางทาอาหากินนอกจากขอทานพี่น้องครับหลายหคนก็บอกว่าทำไมฉันจะต้องป่วยเป็นโรคนี้โรคนั้นบางคนบอกว่าป่วยเป็นโรคร้ายไม่หยุดทําเลยพี่น้องครับหลายได้คนถูกครอบครัวขับไล่ออกมาเพราะเขาเชื่อว่า คนที่ตาบอดหรือคนที่ทำอะไรไม่ค่อยดีจะทำให้เขาเป็นโรคร้ายหรือกรรมตามสนองพี่น้องครับมีบางคนก็ถ้าเป็นพูดเป็นคนไทยก็คือโชคดีหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนๆนที่ห่วงใยพาเขามาพบกับพระเยซูพี่น้งครับคนเหล่านี้ครับเขาต้องการสแสวงหา เขาอยากจะได้พบกับฤทธิอำนาจนั้นเมื่อพระเยซูทรงพระเมตตาพระเยซูทรงพระคุณมากมายโรรงสามารถที่จะช่วยเขาได้พระเยซูสามารถช่วยเขาเมื่อเขาเผชิญกับความตายของบุคคลอันเมนที่รักได้หรือรเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยนีย่นะครับเราจะเห็นหลักสองหลักด้วยกันในการที่พระเยซูจะรักษาโรค ก็คือหลักแรกก็คือผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากพระเยซูนั้นเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเชื่อความศรัทธาในฤทธิอานาจของพระองค์หลักที่สองก็คือคนเหล่านี้เขาไม่ได้รอช้านะครับในการที่จะทูลขอแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะรับการรักษาจากพระเจ้า แต่สิ่งที่พระเจ้าจะให้หรือไม่ให้การรักษานั้นก็อยู่ที่น้ำพระทัยของพระองค์งครับในสมัยนี้ในยุคปฏฏัจจุบันนี้ถามว่าพระเยซูยังคงมีฤทธิ์อำนาจหรือสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บหรือเปล่ามีบางคนนะครับให้กฎเกณฑ์อย่างนี้ว่าในปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงรักษาโรคโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแพทย์ พระเจ้าทรงอนุญาตให้มนุษย์สามารถสำรวจลักษณะของโครคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงและคิดค้นพัฒนายารักษาโรคและยาปฏิชีวนะต่างๆมีคุณภาพน่าสจัจใจมากเทคนิคหรือความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้หลายคนนั้นได้รับการรักษาให้หายมีหลายคนที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายโดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงหลายคนได้รับการ ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆและทำให้มีชีวิตอยู่แทนที่จะตายไปเพียงครับผมเองก็สามารถเป็นพยานให้พี่น้องได้ว่าเมื่อประมาณปี1995ซึ่งก็คือ20ปีที่แล้วผมได้รับการรักษาจากพระเจ้าโดยผ่านความเชี่ยวชาญของแพทย์ก็คือรับการปลูกถ่ายไขยกระดูกจากการเป็นมะเร็งมะเร็งที่ต่อมน้าเหลือง การปลูกถ่ายถายกระดูกนั้นในสมัย20ปีที่แล้วยังไม่เจอเ้าหน้าเหมือนกับสมัยนี้ยาอะไรต่างๆก็ยังไม่ดีเท่ากับสมัยนี้และผลข้างเคียงก็ค่อนข้างจะมีอันตรายสูงพี่น้องครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงไว้ชีวิตผมพระองค์ได้ทรงสำแดงการรักษาอย่างอัศจรรย์ทั้งผมทำให้ผมมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งผมถวายตัวรับใช้พระองค์เต็มเวลาพี่น้องครับในสมัยปัจจุบันนี้ในบางโอกาสพระเจ้าก็ยืน่นผหตัดของพระองค์งทำการอัศจรรย์รักษาโรคซึ่งแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้แม้ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้มีพัฒนาการด้านการแพทย์แต่พระองค์ก็ยังทรงสงวน ไว้ซึ่งสิทธิทมหน้าสูงสุดเหนือความตายและโลครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายพระเจ้าคาดหวังให้บุตรของพระองค์ลูกของพระองค์นั้นมาหาพระองค์เมื่อลาบากเดือดร้อนครับรับการปลอบประโลมเมื่อเราบางคนอาจจะต้องเผชิญกับความตายและความเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องครับผมอยากจะทบทวนพระวจนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมยอ์นบทที่สบเ็ดข้อยี่สิบห้าถึงยี่สิบหก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 แต่มีวันหนึ่งครับทุกคนต้องตายและเรารู้ว่าพระเยซูเป็นเหตุให้เราเป็นขึ้นและมีชีวิตแม้ว่าเราตายแล้วเราก็ยังยังมีชีวิตอีกและพระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเราจะไม่ตายเลยเปยนครับหากชีวิตของพี่น้องเหน็ดเหนื่อยชีวิตของพี่น้องมีความรู้สึกว่าแบกภาระหนัก มัทธิวบทที่สิบเอดข้อที่ยี่สิบแปดถึงข้อที่สามสิบกล่าวว่าบรรดาผู้ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมจิตใจท่านทั้งหลายจะเบาแรงด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเพียงครับ พระเยซูสั่งให้เราเอาแอกของพระองค์แบกไว้เพราะว่าแอกของโปรงนั้นก็พอเหมาะและภาระของพระองค์นั้นก็เบาหมายความว่าพระเยซูจะช่วยเราแบกครับพี่น้องครับแอกและภาระของพระเยซูที่ให้เราเรียนแบบในการที่จะแบกแอกของพระเยซูเพราะพระเยซูจะช่วยเราแบกครับ ยงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมพี่น้องครับพระเยซูจะให้เราทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเมื่อเรารับแอกของพระองค์แบกไว้พี่น้องครับแอกของพระองค์นั้นก็พอเหมาะกับเราครับพอเหมาะกับผมพอเหมาะกับท่านภาระของพระเยซูนั้นก็เบา สำหรับผมและสำหรับท่านเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูช่วยผมแบกพระเยซูช่วยผมตลอดเวลาและพระเยซูก็เพาะให้พระคุณของพระองค์เพียงพอและพอเหมาะกับเราทั้งหลายทุกคนเสมอแห่เเชื่ออย่างนั้นครับแม้ว่าเราอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายอาจจะต้องปวดทนทุกข์หายใจไม่ได้หรืออึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงจากโรครายนั้นให้เราอธิษฐานกับพระเยซูครับว่าแอกของพระองค์ก็พอเหมาะเราเชื่อว่าแอกของพระองค์พอเหมาะเราเชื่อว่าแอกของพระองค์นั้นเบาขอพระเยซูให้เราทั้งหลายได้ตระหนักรู้ว่าเมื่อเราแบกความเจ็บป่วยความเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นพระเยซูได้ทรงรับแบกบาปของเรา รับแบกความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราด้วยเช่นเดียวกันมีผู้ร่วมแบกกับเราเสมอคือพระเยซูคริสต์ทีน้ครับพมพีตอนที่สามก็คือเปตโตรบทที่หนึ่งหนึ่งเปตโตรบทที่หนึ่งข้อหกและข้อที่เจ็ดในความรอดนั้นทั้งหลายชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริญยิ่งกว่าทองคาพี่น้องครับการที่เราทั้งหลายต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในเวลานี้ก็คือเป็นการลองดูความเชื่ออันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำพี่น้องครับถ้าเราถูกลองด้วยไฟความเชือ่อของเรานั้นถูกล่อหลอมด้วยไฟความเชือ่อของเรานั้นจะบริสุทธิ์เพิ่อพีกล่าวต่อไปว่า จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรนเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพี่น้องครับยิ่งเราที่จะทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูยิ่งมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเราถูกทดลองความเชื่อที่ประเสริฐมากเท่าไหร่พี่น้องครับถึงเวลาเมื่อเราพบกับพระเยซูแล้วศักดิ์ศรีและเกียรติก็จะมากเท่านั้น ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพรพอะองค์เพราะเจนะของพระองค์ในข้อที่สี่ข้อสุดท้ายสะดุดดีบทที่ห้าสิบหกข้อสี่ในพระเจ้าผู้ที่ฆ้าพระองค์สรรเสริญเพราะเจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะทําอะไรแก่ข่าพระองค์ได้ผี่น้องขับคนที่พูดอย่างนี้แสดงว่า ครานั้นเจ็บปวดอยู่ครับครานั้นทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่ครับแต่ด้วยความวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเจ้าเชื่อมั่นและพึ่งพาพระองค์ยางปราศจากความกลัวพี่น้องครับหลายครั้งเรากลัวใช่ไหมครับแต่ขอให้เรามีความเชื่อความศรัทธาและไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อมั่นในพระองค์ในที่สุดแล้วเนื้อนหนังจะทําอะไรเราไม่ได้ครับ มันทำได้แค่ทำให้เราตายแต่มันไม่สามารถที่จะเอาดวงวิญญาณของเราไปได้มันไม่สามารถทำลายความเชื่อของเราที่ไว้วางใจและที่พึ่งพาพระองค์ออกไปได้มันไม่สามารถเอาความศรัทธาที่เรามีกับพระเจ้าความดื่มด่าในความสัมพันธ์สันติสุขลึกลึกเมื่อมีความทุกข์ยากลาบากออกไปได้พี่น้องครับมันไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ เพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือของพระเยซูชีวิตเรานั้นเป็นของพระเยซูจิตวิญญาณของเรานั้นก็เป็นของพระเยซูพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสก้มศีรษะทุกๆคนทุกท่านครับที่ได้ยินเสียงนี้อธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราหลายหายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องหลายหลคนของเราที่จะต้องรับการรักษาหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเรื่องราว ความละเอียดอ่อนของการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดก็ดีไม่ว่าจะเป็นการฉีดเคมีก็ดีไม่ว่าจะเป็นการฉายแสงก็ดีหรืออธิษฐานเผื่อพี่น้องที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตที่พระเจ้ากําลังจะเรียกเขากลับบ้านเขากําลังรอให้พระเจ้ามารับไปข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาวอวยพรพี่น้องเหล่านี้เถิดให้พ่อจนะของพระองค์ ทำให้พี่น้องเหล่านี้ได้มีความเชื่อความศรัทธาและไว้วางใจโปรงว่าโปรงให้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแต่ละคนเสมอขอพระเจ้าเมตตาอวยพรในพระนามพระเยซูริจเจ้าอาเมน